สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นชาวันจันทร์เรากลับมาอยู่ในหนังสือ20กฎทองคํานะครับซึ่งจะนําสู่ชีวิตที่ดีงามและกลมกลืนสมานฉันท์แล้วอยู่ในกฎที่เกี่ยวข้องกับความเป็นหนึ่งเดียวกันครับความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมีหลายหลายอย่างในพระคัมภีร์ซึ่งแท้จริงแล้วดูเหมือนว่ามันจะไปด้วยกันไม่ได้ หรือไปด้วยกันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ท่านศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นท่านได้เห็นความสัมพันธ์เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันครับระหว่างสังคมครอบครัวความในหนึ่งเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์วันนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของสังคมและครอบครัวสังคมในครอบครัวชีวิตของคริสเตียนที่อยู่ในสังคมและครอบครัวนั้นจําเป็นที่จะต้องเป็น หนึ่งเดียวกันมัทธิวบทที่5ข้อ 14-15 ครับพระจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้โปรดฟังพระเจริของพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ยอมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นเพี้องจะสังเกตเห็นคาว่า เรือนนั้นและโลกเพี่ง้องเห็นไหมครับว่ามีความเป็นหนึ่งเดียวกันในคําสอนของพระเยซูในที่นี้เรารู้ครับว่าคริสตชนหรือคริสเตียนนั้นเป็นความสว่างของโลกเป็นความสว่างของสังคมในเวลาเดียวกันครับก็เป็นความสว่างในครอบครัวในเรือนด้วยเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นชีวิตที่เป็นพยาน ที่สมบูรณ์แบบเป็นคําพยานที่สมบูรณ์แบบเลยครับพระเยซูทรงเลือกใช้เกลือและความสว่างมาเป็นคําพยานของคริสเตียนในสังคมพี่น้องครับเราทั้งหลายจะเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างพระเยซูใช้เกลือ แ, ลแสงสว่างมาเปรียบเทียบกับชีวิตที่เป็นพยานของคริสเตียน เกลือมีประโยชน์2 อ, อย่างครับ 1. ป้องกันการบูดเน่า 2. ปรุงรสปรุงให้อาหารมีรสชาติป้องกันการบูดเน่าและปรุงให้อาหารมีรสชาติมีสองประการประโยชน์ของเกลือป้องกันการบูดเน่านั้นหมายความว่าคริสเตียนเราต้องอาศัยการดําเนินชีวิตที่สะอาดต้องมีการดําเนินชีวิตที่สะอาดและไม่บูดเน่าไม่สกรปรกไม่มีมนทิน เช่นเราจะต้องมีคำพูดที่สร้างสรรค์พร้อมกับชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สะอาดคำพูดของเราต้องสอดคล้องกับการกระทาที่ดีําพูดที่ดีคาสอนที่ดีต้องสอดคล้องกับการกระทำที่ ด, ด, ด, ด, ด, รรททดีซึ่งจะนำมาถึงการป้องกันลดการบูดเน่าของสังคมครับพี่น้องเราคงทราบดีนะครับว่าสังคมในเวลานี้ก็บูดเน่าไปเยอะ ฟอนเฟมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในความมืดอยู่ในเรื่องของความอัดรมอยู่ในเรื่องของตันหาความผิดบาปเยอะแยะมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ละครับคริสเตียนเราจะต้องมีชีวิตที่อยู่ตรงกันข้ามเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้เป็นของโลกเราไม่ได้ดาเนินชีวิตแบบโลกแต่เราเดาเนินชีวิตแบบความสว่างเราเดาเนินชีวิตแบบเหมือนกับเป็นเกลือของแผ่นดินโลก เราต้องอาศัยชีวิตที่บริสุทธิ์จะอาศัยชีวิตที่สะอาดครับในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่สะอาดมีชีวิตที่สร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์ครอบครัวของเราเราป้องกันสังคมของเราไม่ให้บูดเน่าไปมากกว่านี้ประการที่2ครับประโยชน์ของเกลือก็คือปรุงให้อาหารมีรสชาติ คริสเตียนเหล่านั้นจะต้องมีความรักของพระเยซูใช้ชีวิตที่มีคุณธรรมมีชีวิตที่มีคุณธรรมมีชีวิตที่อยู่ในธรรมะอยู่ในความจริงของพระเจ้าเชื่อฟังดำเนินตามมีธรรมบัญญัตริรักษาพระเจชนะของพระเจ้าเชื่อฟังสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสเชื่อฟังสิ่งที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ ก็เลยจะทำให้ชีวิตของเรานั้นจะมีรสชาติเป็นเครื่องปรุงรสของชีวิตครับในเวลาการครับขณะที่เราจะเป็นเกลือเราจะต้องเป็นความสว่างความสว่างมีความหมายว่าชีวิตของคริสเตียนเราจะต้องประกาศเผยแพร่ความสว่างของพระเรยซูเจ้ามีการกระทาที่ดีต่อหน้าคนทั้งปวงอันจะนำมาซึ่งการถวายพระเกียรติ พระเสริแด่พระเจ้าพระบิดาของเราชีวิตที่เป็นความสว่างนั้นก็เป็นชีวิตที่ส่องทางให้กับคนอื่นครับเป็นชีวิตที่โปร่งใสคริสเตียนเราควรจะเผยแพร่และเป็นความสว่างในครอบครัวนําคนในบ้านในครอบครัวมารับเชื่อพระเจ้าบ่อยครั้งนั้นครับเราพบว่าการฉายแสงการเป็นความสว่างในครอบครัวก็ยากกว่าการฉายแสงในสังคมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่ยากกว่า เพราะเนื่องจากว่าคนอื่นเห็นชีวิตของเราน้อยกว่าคนในครอบครัวชีวิตของเราเองหากปล่อยประละเลยเราก็จะเห็นจุดอ่อนของตัวเองถ้าคนคนหนึ่งสามารถฉายแสงในครอบครัวได้คุณณธาพชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเขาต้องดีมากๆจริงไหมครับใครก็ตามที่สามารถนำคนมาเชื่อพระเจ้าได้และคนคนนั้นอยู่ในครอบครัวของเรานั่นก็แสดงว่าเรา มีคุณภาพชีวิตที่ดีเราสามารถเป็นพยานให้กับคนในครอบครัวจนกระทั่งเก่ามารับเชื่อพระเจ้าได้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่ดีและเราเองนั้นก็ต้องตอบสนองขอบคุณพระเจ้าที่หลายๆคนนําคนในครอบครัวมาถึงพระเยซูนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงให้ครอบครัวหลายๆครอบครัวทั้งครอบครัวเลยครับมาเชื่อพระเจา้า นั่นแหละครับคือชีวิตที่เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างของแผ่นดินโลกเราเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไมครับในครอบครัวในสังคมชีวิตของเราในครอบครัวนั้นจะต้องเป็นชีวิตที่โปร่งใสนะครับมีชีวิตที่เป็นชีวิตที่เหมือนกันนะครับไม่ใช่หน้าไหวหลังหลอกไม่ใช่เป็นชีวิตสองด้านคนในครอบครัวเห็นครับ คนในคิเตจอาจจะเห็นน้อยกว่าคนในสังคมยิ่งเห็นน้อยที่สุดแต่สิ่งที่สําคัญคือเราเห็นตัวเองเรารู้ไหมครับเราอาจจะไม่ต้องให้คนในครอบครัวมาว่าเรามาบอกเราว่าเป็นคิสเตียนเป็นอย่างนี้หรือแต่ผมอยากจะเรียนทุกท่านว่าหากเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆเรากําลังแอคทีฟเราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณจริงๆเราจะเห็นครับ ว่าเราเองนั้นสามารถเป็นพยานในครอบครัวได้จริงๆหรือไม่ขอพรเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านครับในการที่เราเองนั้นจะมีชีวิตที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตในสังค ม, ส, งค ม, มงงสังคมในที่นี้หมายถึงที่ทำงานสังคมในที่นี้หมายถึงเครือจักรสังคมในที่นี้ก็คืออะไรที่นอกเหนือจากครอบครัวงเรานั้นเป็นสังคมเป็นสิ่งแวดล้อมของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเองขอหนุนใจ ขอพระเจ้าอวยพระพรเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านครับในการที่เราจะมีชีวิตจริงๆที่สอดคล้องในและนอกเพื่อที่เราเองนั้นจะเป็นผู้ที่ถวายพระเกียรติและพระสิริแด่องค์พระพุญเจ้าของเราอาเมน